เออหยุก่อนเลยเอาวางอ๋อเดอยูก่อนยนะหยนหเดิน yes> ั้เดินแล้วต้องขอตแล้วก็หยุดนะต้องขอเดอ้ยนี่มันม <|so|> ันออบนี่มันเดินได้ไงวะมันก็ลออบมันเออออนอ่อนช่ช่ช่ออนอะไรเจ๊าเออถ้าเป็นรายการก่อนเวลา คำว่ารายการก่อนเวลาก็หมายความว่าท้าเป็นเวลาจริงๆก็จะพูดกันได้เฉพาะวิธีเจริญกรรมฐานคือสมาทานแล้วก็วิธีเจริญกรรมฐานในความรู้รอบตัวนี่จะไม่ได้ด้วยการเจริญกรรมฐานจริงๆมันมีหลายขั้นตอนอย่างคําว่าสมาธิสมาธิจะแปลว่าการตั้งใจ การตั้งใจนี้ก็มีหลายจุดตั้งใจอันดับแรกถ้าเรียกว่าคณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยแต่การทําขั้นคณิกะสมาธินี่ก็ไม่ต้องใช้อะไรมากนะักเพราะการทรงตัวของจิตไม่มีมากเราสามารถจะรู้ลมให้ใจเข้าออกได้บ้างรู้คำภาวนาบ้างเล็กเล็กน้อยน้อยจิตก็เคลื่อนในการฝึกขั้นตน้น ก็ต้องเพียงแค่รู้ลมให้ใจเข้าออกพยายามเอาจิตเข้าไปทรงตัวเวลาให้ใจเข้าตั้งใจว่าเราจะรู้ลมให้ใจเข้าเวลาให้ใจออกก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้เราจะรู้ลมให้ใจออกตรงความว่าให้ใจเข้าก็ดีให้ใจออกก็ดีเรารู้ตัวขณะใดที่รู้ตัวอยู่ว่าให้ใจเข้าหรือให้ใจออก เวลานั้นที่ว่าเรามีสมาธิในอนาปานุสติกรรมฐ า, านที่ลมหายใจเข้าออกแต่ว่าการรู้ตัวยังไม่ภาวนาก็าตามหรือภาวนาด้วยกว็าตามมันจะส่งตัวได้ไม่นานจากบัดเดี๋ยวเดีย ว, ยวจิตก็จะเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่น <c oughs> ถ้าจิตเคลื่อนก็คิดนั่นคิดนี่ไปตามเรื่องตำราของจิตคิดไปรอบนอก ก็เป็นธรรมดาพื่รู้ตัวขึ้นมาใหม่เมื่อรู้ตัวขึ้นมาว่าเวลานี้จิตคิดนอกรูนอกทางเกินที่เราตั้งใจไว้ก็หันเข้าไปรับรู้ลมให้ใจเขาออกใหม่อย่างนี้ที่เรียกว่าคณิกะสมาธิฉะนั้นวันนี้ก็ขอแนะนำกันแค่คณิกะสมาธิดีไม่น้อยอืมมากเป็นได้ภูี้อุปจารสมาธิเพราะว่า การคุมสมาธิขั้นต้นถ้าเข้าถึงอุปจารสมาธินในญาณโยมพุทธบริษัท ต, ต้องเข้าไปควบคุมนิวรณด้วยวันนี้ก็ขอแนะนำเล่น้อยการฝึกขั้นต้นก็ท่หนึ่งให้รู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วก็ขอได้โปรด จ, จงอย่าเคียดกับอารมณ์บางทีเราตั้งใจเกินไป คิดว่าเราไม่ต้องการให้จิตเคลื่อนจากอารมณ์จากการทรงตัวแต่ประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็เคลื่อนไปคิดอย่างโน้นอย่างนี้เข้านันนี้เราตั้งใจคิดว่าจะทรงตัวให้มากเม่จิตทรงตัวไม่ได้มากเราก็โมโหจิตถ้าเราไปตั้งใจโมโหจิตก็โกรธใจอย่างนี้จิตฟุง้งซ่านสมาธิพราด ก็ต้องทําใจส บ, บายๆคิดว่าการฝึกสมาธิจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามย่อมมีอันนี้สง์งเื่ออันนสองก็หมายความว่ า, วาถ้าบุคคลใดสามารถทรงคณิกะสมาธิได้คําว่าทรงนี่ไม่ใช่ทั้งวันนะถ้าทั้งวันนี่ไม่ใช่คณิกะสมาธิอันนี้เป็นฌาน <c oughs> ถ้าว่าทรงคติเจ้าสมาธิได้ก็หมายความว่าขณะเวลาใดก็ตามถ้าเราต้องการจะรู้ลมให้ใจเข้าร่วมการจะรู้ลมให้ใจออกก็ตามือต้องการภาวนาควบคู่ก็ตามเราสามารถทำได้เมื่อมีความสามารถทำได้แต่ถ้าว่าสักประเดี๋ยวหนึ่งจิตก็ไหลไปสู่อารมณ์อื่น ก็ไหลก็ไหลไปเรารู้ตัวแล้วก็เริ่มต้นใหม่รู้ลมหายใจเขาออกใหม่ภาวนาใหม่แต่ก็สักครู่หนึ่งก็ไม่สามารถจะคนได้ลำคาญต้องเลิกอย่างนี้เขาที่ว่าทรงในขั้นได้ในขั้นคณิดการสมาธิ <c oughs> ถ้าปฏิบัติได้ถึงขั้นคณิดีการสมาธินี่มีการลบ ม, มีการสะสมทีละน้อยละน้อ ย, อยไปเศษของต่ํา จนกว่าเราจะตายหรือเวลาที่เราใกล้จะตายเวลาป่วยไข้ไม่สบายเราก็ตั้งใจนึกถึงพระพุทธเจ้าคือพระรูปองค์ใดองค์หนึ่งก็ได้แล้วก็รู้ลมให้ใจเข้าออกแล้ภาวนาไปด้วยคำว่าภาวนาเนี่ยให้ภาวนาตามบทียาใสจะส่วนใหญ่เขแนะนำให้ภาวนาว่าพุทโอ จะเริ่มใหม่ๆถ้าให้ภาวนาว่าพุทธโธเขื่อใจเข้านึกว่าพุทธใจออกเป็นพุทธโธรื่อภาวนานี่ไม่บังคับนะใครชอบใจอย่างไหนว่ายอย่างนั้นตามชอบใจถ้าเเวลาที่เราป่วยเวลานั้นบังเอิญมาเป็นอาการตายเข้ามาสิงพอดีแต่ยังไม่ตายขณะที่ป่วยเกิดไม่ไวังไม่ไวังไม่ใจไม่ไ ว, ไมไ ว, ไมไว้ใจตัวเอง นึกว่าให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโธได้บังประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปต่อไปต่อไปเม่ลมสบายขึ้นนึกให้ใจเข้านึกว่าพุทธให้ใจออกนึกว่าโทรประเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปเพียงแค่เท่านี้ถ้าจาจจากความเป็นคนเป็นเทวดาก็ได้เป็นดางฟ้าก็ได้เป็นได้แน่นอน แต่ว่าเรื่องกำลังของพุทธาตุติกรรมฐานนี่ยังดไปก่อนวันนี้พระจะแนะนำมาให้พูดเร่งกำลังของฐานเพราะว่าอาจาบอกว่ากำลังของฐานเนี่ยในพระธหลา ง, งเรามีมีการทาบุญอยสามอย่างหนึ่งทานสองศีลสามภาวนาวันนี้ใ้ถืีกำลังของฐานเป็นสำคัญ กำลังพันธ์ก็อยากขอนําพระสูตรสูตรหนึ่งถ้าเอาพระสูตรมาคุยกันนี่ก็ออคุยกันง่ายหน่อยฟังอันรู้เรื่องคือพระสูตรสูตรหนึ่งที่เรียกกันว่าอะไรอ่ะเหร้ยกร น, นึกไ อ, อกก็ได้ข้อท่านติดสระเป็นเป็นปรวัความเป็นมาของต่างสระปุริคัตเป็นปุริคัตติดสระ ความนิย ว, ว่ามะองค์ ส, สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ในเมืองสาวัตถีเวลานั้นองค์สมเด็จพระมหามุนีทรงปรารบพระปูดิคัตติสสะเถระทรงตรัสธรรมเทศนาว่าอาจิรังวัตยังกาโยปเทวิงปริอัติอธิเศษสติเป็นตน้น ในความมีว่าในเมืองนั้นปรายกฎว่ามีโกนาบทคนหนึ่งในเมื่อขณะไม่ได้ฟังเทศจะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นบาระแรกก็มีความเลื่อมใสเมื่อมีความเลื่อมใสก็ตั้งใจถวายอกแต่พุทธศาสนานั่นก็หมายว่าถวายต้องการจะบวชตลอดชีวิต เมื่อตัดสินใจแบบนั้นแล้วก็ขอบันปูสมบทรบรรพชาจากพระพุทธเจ้าเมื่อบวชเป็นพระแล้วไม่นานนักก็มีกําลังใจขั้นชานโลกีทรงตัวได้บ้าง่ทรงตัวไม่ได้บ้างกําลังยังไม่แม่นคงต่อมาโรคร้ายก็ปรากฏขึ้นกับร่างกายของท่านมันเป็นตุ่มเล็ก เ ล, ล็กนิดๆุนิดๆทั่วตัวต่อมาเจ้าตุ่มนั่นก็โตขึ้นทําเม็ดถั่วเขียวจากเม็ดถั่วเขียวก็เท่าเม็ดถั่วเหลืองจากเม็ดถั่วเหลืองก็เท่าข้าวผลส้มน า, าข้าวเท่าก็โตเท่าผลมาตูมมันเต็มตัวไปหมดพอเม็ดต่างๆพองใสตัวสมาตูมมันก็แตก แตกทั้งหมดเป็นน้าเหลืองเยื่อมทั้งร่างกายท่านกระลุกไม่ไหวมันดาพระทันไลก็ปฏิบัติกันตานกําลังตานกําลังต่อมาไม่ช้าไม่นานนักกระดูกท่านก็แตกทาว่ากระดูกแตกใน ต, ตามบารีไม่ได้บอกว่าแตกส่วนใดส่วนหนึ่งมันจะแตกทั้งกาย <c oughs> กระดูกก็แตกผ้ากันเลือกแทบไม่ได้ น, น้ำเหลือง มรนดาพระสงฆ์ทั้งหลายปฏิบัติไม่ไหวเมื่อปฏิบัติไม่ไหวก็พายกันทิ้งปรอยรอความตายต้บนบอกว่าในคืนวันที่พระท่านทิ้งวันศุกร์ทิ้งวันนี้นะเวลาเช้าเมื่อพระพุทธเจ้าตรวจปนิสัยของสัตว์ตามนีลาการตรวจปนิสัยของสัตว์พระเจ้านี้ตามว่าสูตรนี้บอกว่ามีสองเวลา คือถ้าเวลาเช้ามืดถ้าตรวจมาจากขอบจักรวาลเข้ามาถึงาที่อยู่ของพระองค์ถ้าเวลาตอนเย็นก็ตรวจต้องที่อยู่พระองค์ออกไปหาขอบจักรวาลแต่วันนั้นเป็นการตรวจอบุบัิไัยโงสัว์ในตอนเช้ามืดจากขอบจักรวาลเข้ามาในสถานที่อื่นก็ยังไม่เห็นว่าใครจะได้บรรลุมรรคผลตัง้งแต่โสดาบาันขึ้นไป ต่อมาเมื่อใกล้เข้ามาเขตวิหารก็ตนพระพูทิคัตติสสะเนี่ยอยู่วิหารพระเจ้าอยู่วิหารเดียวกันปรากฏว่าท่านก็เห็นพระพูทิคัตว่ามีอุปสายอารหันในวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้พระติสสะหรือูุ้ทธคัตติสสะพุทิคัตแค่แปลวันเน่าพระติสสะพุ่มีร่างกายเนา่าในวันพรุ่งนี้จะได้บรรลุบัคผลเสื่อ อ, อ, อรหันพร้อมกับมีผ่าน แต่ได้ทงทราบว่าเวลานี้บรรดาพระฤาษูหาทั้งหลายท่ากนกำทอดทิ้งเธอมีร่างกายเน่าไปทั้งตัวผ้าจะเต็มชื้นไปจนน้ำเหลืองเกิดกลางทั้งร่างกายทั้งผ้ากระดูกร่างกายก็แตกขยับร่างกายไม่ไหวก็ทรงนิมิตต่อไปว่านอกจากสถานโคตรแล้วไม่มีใครเป็นที่พึ่งแต่เจอได้ ดังนันเวลาชาวเมือหลังจากฉันบรรดาหาตะตาหารเสร็จก็ทรงเสด็จออกจากวิหารของพระองค์ไปแล้วก็ทว่าเที่ยวไปในวิหารตรงแล้วเดินไปเดินมาก็แวะห้องของพระติสระทรงเอาตกาลน้ำมาตั้งที่เตาต้มให้ร้อนแล้วเอาผ้าที่เปื้อนน้ําเหลืองของเธอมาหวังจะซัก ก็พอดีพระสงเกตรู้เข้าก็ บ, บอกว่างานนี้ข้าพระเจ้าทาเองไปเจ้าขาดถ้าอะไรหยิบผ้าที่เป็นน้ําเหลืองมาบอกว่าสงฆ์ว่าต้มน้ําให้ร้อนเอาผ้านี้ต้มขยี้ให้หมดน้ําเหลืองแล้วถ้ากเอาผ้าพื้นหนึ่งไปชุบน้าร้อนมาค่อยๆเช็ดตัวของพระติสระที่น้าเหลืองกลางทั้งตัวเช็ดจนกระทั่งร่างกายแห้งน้าเหลืองแห้งหมดต่างกายสะอาด เวลานั้นพระปิติสาก็มีความเบาใจชื่นใจขึ้นมาเพราะมีจังมีการปลอดโยงขึ้นมาแต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์ที่ที่ทำตามนั่นก็คือพระพุทธเจ้ากําลังใจก็เกิดมากต่ว่าองค์สมเด็จพระพู้มีพระพายเจ้า จ, จึงทรงกรัสเห็นเธอมีกําลังเบาใจเดี๋ยวดูตํารากร์เดี๋ยวจะว่าผิดไป พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าร่างพิขุมันหมายความพิสุรนิพิสุนิเฉยร่างกายของเธอนของร่างกายของเธอนี้ในเมื่อวิญ ญ, ญาณไปปราศแล้วหมายความว่าถ้าไม่มีร่างถ้าไม่มีวันบิ ญ, ญญาณมันก็เหมือนกับท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ที่กมันได้ทับผมพิ่มมาดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์เขาจริงแล้ว พ่ะพูดอีกข้างหนึ่งท่านบอกว่าภิสุร่างกายของเธอนี้มีวิญญาณไปปรับแล้วหาประโยชน์มีได้จะนอนทับเป็นดินเหมือนก็ท่อนไม้ที่ไม่มีประโยชน์ถ้าต่อมาก็ทรงตัดเป็นคาถาว่าจิรังวัตยังกายโยว่าได้ไหบัิชาถ้าจำไม่ไสกุลเป็นนะ อาจิรังบัตยังกายโยปัทวิงอดิเศษสติเป็นต้นซึ่งแปลปเยคความว่าที่สุไม่นานหนอร่างกายร่างกายนี้จกนอนทับหืนแผ่นดินกายนี้เมื่อมีวิญญาณไปปราดแล้วก็มีบุคคลหลัายไหลเขาก็จะทอดทิ้งไปเหมือนกับท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ พอท่านฟังเพียงเท่านี้ท่านก็นม ร, รลุ่มหลาผลอาลาตะผลพร้อมไปสวิ้นทายาทแล้วก็นิพพานทันทีตอนนี้ก็มาว่ากันเพียงกฎขุงกรรมเมื่อพระติดสะคำว่าปุติคัตในประวนเน่าเติมเข้ามาใหม่พระปุติคัตติดสะท่านนิพพานแล้วบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็รักได้รับคําสั่งจากพระเจ้าให้ทําเจดี พระเจ้าสั่งเผาร่างกายแล้วก็กระดูกบรรจุเจดีย์เข้าไว้ต่อมาบรรดาพระสนทั้าหลายก็กราบทูลถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าพันเตพระกวาแค่แต่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญพ ร, ระพุทธเจ้าค่ะพระติสสะทำกรรมอะไรไว้จึงมีร่างกายเน่าและกระดูกแตก ความยิงนั้นถามไป็นสองตอนจึงขอรวปรัฐและก่อนในที่สุดจึงได้บรรลุอรรถอรรถผลพร้อมด้วยสมิสาย า, านไปนิพพานได้องสเด็จพระจอมไตรคือพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าพิเวิดูก่อนวิสุทธังหลายการที่ปุริคัตติสสะเรวัติสส ะ, ะอย่างเดียวก็ได้ปุริคัตไปันเนาว อบุริคติสะคือพติสาะผู้มีร่างกายเน่าในชาติก่อนโน้นเธอเป็นพรานฆ่านกคือดักนกบ้างยิงนกบ้างเอามาขายติสรชนคนที่มีสตังบางวันถ้าขายยังไม่หมดมีนกน้อยๆก็ย่างเก็บไว้ขายในวันพรุ่งนี้ บางวันท่านนกมีมากต้องที่เหลือมีมากก็ยางบ้างส่วนที่ยังเหลือคิดว่าจขายสดในวันพรงนี้ถ้าจะปล่อยไว้เฉยๆก็เกรงว่านกจะบินหนีไปก็เลยหักขาบ้างหักกระดูกปีกบ้างป้องกันนกบินหนีให้กล่าวว่าเพราะกรรมอย่างนี้เป็นปัจจัยให้จินสะต้องมีกายเน่า แล้วก็มีกระดูกแตกต่อไปขั้นที่สองที่พระถามว่าเพราะผลบุญอะไรยิยงได้สาเร็จอรหันพร้อมบริสมิทายานและก็นิพพานในเวลาเดียวกัน <c oughs> ก็นิย่าโยมฟังและจำดีนะซึ่งมีพระจำนวนมากเพราะว่าผลของทาต น, นี่ไม่สามารถจะไปนิพพานได้ แต่ว่าเรื่องนี้ยืนยันว่าผลของทานในปณิพันานได้ <c oughs> พุธทธเจ้าทรงตรัสว่าพิกเวดูก่อนพิสุตทังหลาย <c oughs> ในสมัยเมื่อติดสะะฆานกขายอย่นั่นเองวันหนึ่งปรากฏว่ามีพระขีนาศพระขีนาศก็คือพระอรา ห, ารหันต์มาบินบาตในเวลาเช้า มันในเมื่อในในคนในพรานนกเห็นเข้าก็ในมนท่านยืนอยู่แล้วก็รับบาทมาก็มีความรู้สึกว่าร่างเรานี่ทำบาปทุกวันไม่เคยทำบุญเลย <c oughs> แต่เขาก็ไปรู้ว่าพราะนั้นเป็นพระอรหันต์ก็ตั้งสั่งคนในบ้านให้ทำกับข้าวฮีโรถอร่อยที่สุดที่ชอบที่สุดได้เนื้อเอานกเอาเนื้อนกมาทา ว่าทำเ็จ ก, ก็ปรายคว่าดนำได้ใส่บาทพระจนเต็มเป็นที่พอใจสำตัวเองท่านบอกว่าได้ผลบุญคือตวายทายกรรมวิีณาศกที่เองกรรม่ิชีณาศกคือพระอรหันต์อาชาตินี้ชาติท้ายเป็นปัจจัยได้รู้อรหันต์พร้อมไปสิมิทายานอันนี้เป็นเรื น, นี้ว่าท่านปราบอกให้ปรารบเรื่องทาน เ, นาน เ, นนเนร็นสำันใชเพราะว่าการทําบุญในพุทธศาสนามีทานศิลภาวนา จะได้ทราบกันว่าการให้ทานหรือทำทานเนี่ยสามารถเป็นปัจจัยเข้าถึงนิพพานได้อันนี้พกราก็ขอขอย้ำกล่าวถึงบุญการถวายทานเนี่ยมีอะไรสอ์ไม่เสมอกัน <c oughs> ถวายทานเป็นส่วนบุคคลก็มีในสงฆ์ตามลำดับก็จะขอตัดเอาขั้นสูงเลยที่จะบอกว่าถวายทานแจ่พระอรหันต์ร้อยแครง มีอริสง์ไม่เท่ากับถวายทานแด่พระปัจเจยพรพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่พระบัจเจยพรพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานแด่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่ากับการถวายสังฆทานหนึ่งครั้งถวายสังฆทานร้อยครั้ง มีผลไม่เท่ากับถวายวิหารถานหนึ่งครั้งแล้วต่อมาท้าต่อว่าสัพทานนังธรรมทานนังชินาติการให้ทมเป็นทานยนะทานทุกอย่างการให้ทมเป็นทานกยนตหมายถึง ก, การสร้างหนังสือธรรมะให้วิชาความรู้หรือว่าบรรดาญาโยงพระทวีษัท์ที่สอนธรรมะแก่คนก็ดีสอนกรรมฐานกับคนก็ดีนี่เป็นธรรมทาน สอนก็มาฐานเนี่ยเป็นกรรมฐานท่านสูงสุดฉะนั้นเวลานี้ท่านแนะนำบอกว่าให้บอกญาติโยมตามมาตรงว่าการที่วัดนี้จัดให้มีการถวายสงฆทานชุดเล็กก็ดีชุดใหญ่ก็ตามแล้ว่าชุดหนึ่งจะคนเดียวก็ตามจะหลายคนร่วมกันทาก็ตามย่อมปริย น, นิสงเป็นการถวายสงฆทาน และการถวายสังฆทานของท่านมีสมมากกว่าพระติดสะถวายทานโ่อปีนศพเพราะว่าปีน่าศพนั้นเป็นพระอรหันต์องเดียวตามบารีได้บอกแล้วว่าถวายทานแต่พระอรหันต์เองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแต่พระบัจเจฟุตเจ้าหนึ่งครั้งถวายทานในพระบัจเจฟุตเจ้าร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายทานแต่สมเด็จสัมมาพุทธเจ้าหนึ่งครั้ง ถวายทานเดี่สมเด็จสมมาิเจ้าเองร้อยครั้งมีผลไม่เท่าถวายสังฆทานหนึ่งครั้งอนี้สงสูงฉะนั้นทุกคนให้มั่นใจในในทานที่ตนถวายแล้วใ้มันเหลือเวลาเท่าไหร่เฮ้ยเดินเดินเลยไม่ใช่เครื่องนี้ก็เป็นดันว่าวันนี้ จะเริ่มเจริญกรรมฐานครั้งแรกไม่มีหารเลยเม็ดรือบอกคนที่ไปวันที่27สิงหาคม2532อันดับแรกที่นำพระสูตรนี่มาเพราะว่าเมื่อคืนนี้ใครชวนดูว่าการเปิดแนะนำกันครั้งแรกจะใช้อะไรก่อนท่านพระจะบอกว่าให้ใช้เรื่องพร ะ, พระประติสุทธิคาติสะเพรา ะ, ะเกี่ยวกับการถวายทาน ถาตั้งใจบอกว่าตามส่วนใหญ่ที่พูดกรรมการถวายทานไม่มีปัจจัยเข้านิพพานได้อั น, นั่นไม่จริงเมื่อดาแต่พุทธบริสัยก็ฟังแล้วตีนี้เมื่อเราฟังแล้ววันนี้เจริญกรรมฐานกรรมฐานที่ทําในวันนี้เป็นหลักสูตรของชละพิงโยเป็นหมวดที่สามของการเจริญพระกรรมฐานหมวดที่หนึ่งสุขาเกสโกอันนี้เขาไม่รู้ไม่เห็นอะไรหมด ได้ฌานสมาบัติได้แต่ไม่มีความเป็นทิดหัวที่สองเตวิโชคือวิชาสามระลึกชาติได้มีความเป็นทิจิตเป็นทิตได้แต่ไปไม่ได้เทวดา น, านางฟ้าอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดรมอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดนรกเปรตสุรกายอยู่ที่ไหนเราเห็นหมดแต่ว่าเราไปหาเขา้ามาได้คุยกันได้ แตาสำหรับชะละพิงโยนี่เห็นได้และก็ไปหากันได้ฉะนั้นบทนี้จึงเป็นหบดชะละพิงโยไปหาเทวดาก็ไปสวรรค์ก็ได้ไปพุทธโลกก็ได้ไปนิพพานก็นได้ไปเปรตโลุรกายได้หมดเปในเมื่อไปได้วันนี้เราฟังเรื่องของพระจุบุทิคตติสาฟังแล้วเวลาซักซ้อมกันเป็นคานตานทบทวนอธีตังสยาน ทุกคนเวลาจะทำสมาธิให้ทำสมาธิาธด้วยความตั้งใจแต่ก็จงอย่าตั้งใจมากเกินไปตั้งใจแต่พอสมควรอ น, นี้มันเดินเปล่าว่าสุจิตไม่เดินตัวเนี้ย น, นี่เมื่อเดินเอาเครื่องให้ดีมาเลยนั่นเลยไม่รู้เวลากันเนี้ย แต่ตั้งใจเฉพาะบาคนคือย่าตั้งใจมากเกินไปเอาแค่เบาๆแบ บ, แ บ, บสบายๆทาใจปกติเวลาภาวนาอยู่จงหย่าอยากรู้อยากเห็นทุกสิ่งทุกอย่างถ้าอยากรู้อยากเห็นเวลานั้นมันไม่ได้รู้ไม่ได้เห็นเพราะอะไรเพราะว่าจิตฟุ้งซ่านเวลาที่ครูให้ภาวนาให้ตั้งใจรู้ลมหายใจเข้าออก คือตั้งใจอย่าให้เครียดแค่เอาจิตใจเขารู้ว่าเวลานี้ให้ใจเข้าเวลานี้ให้ใจออกและเวลาภาวนาก็ภาวนาแบบเบาๆสมบบายให้พยายามทาจิตให้เป็นสุขการทรงอารมณ์ภาวนาที่ครูให้ทำก็ไม่เกินสิบนาทีไอ้เวลาสิบนาทีนี้มันดยาย่าโยมพษษุทธวิสจชฌงอย่าคิดว่ามันเป็นเวลาเล็กน้อย ได้คิดว่าเลยกุมอารมณ์อยู่อันนี้ไม่จริงอ่ะประเดี๋ยวเดียวจิตัะแลบไปสู่อารมณ์อื่นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะจงอย่าคิดว่าเราทําผิดยังถือว่าเราทำถูกไม่เมื่อมันแลบไปเรารู้สึกตัวก็กลับหวนมาใหม่จับลมหายใจเขาออกใหม่การภาวนาให้ตั้งใจภาวนาวันมะปฏะเนี่ยพุทธเฉพาะชระพิญโยนะความจริงบทนี้ก็ไม่ใช่ว่ามีคำภาวนาเฉะะพาะเฉพาะมาพัฒนมะพระพาอย่างเดียว อย่างอื่นก็เยอะแต่ที่เรียกมาเรียกมาใช้ในหมวดคำบรรณาอย่างนี้เห็นว่าได้กันเร็วและชัดเนจนแจ่มใสดีกวา่เาเวลาให้ใจเข้านึ ก, กว่านะมะหลายใจออกนึกว่าพระพระเอาตามนี้นะในเมื่อให้ใจเข้ายออกรู้นะมะให้ใจเข้านึกนะมะเห้ใจออกนึกพระพะถ้าจิตเนี่ยเคลื่อนไปก็ตั้งใจรู้ใหม่ การรู้ลมหายใจก็ออกอยาบังคับลมหายใจให้แรงหรือให้เบาปล่อยไปตามสบายเขาลมหายใจเพียงแค่อารมณ์เข้าไปเอาจิตใจเขารับทราบเท่านั้นหลังจากนั้น่ไปเวลาที่ครูแนะนําในการตัดกิเลสตัวนี้สําคัญมากความเป็นทิพย์จะเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ตรงนี้ที่แรกการรู้ลมหายใจเขาออกก็ดีทำภาวนาก็ดียังไม่เกิดความเป็นทิพย์ จงใหญ่คิดอยากเห็นอะไรทั้งหมดเวลานั้นความมันทิศจะปรากฏตรงนี้ได้ความมันทิศ จ, จะเกิดได้ก็เพราะว่าเราไม่คิดถึงเรื่องอื่นเวลาที่เขาแนะนําในการตัดประโยชน์หูฟังตั้งใจฟังเสียงที่เขาพูดจิตจะน้อมไปกิเลสจะค่อยๆวางมือกาลังเบาล ง, าลงทีละน้อยออย่าง้ยในที่สุดจนกระทั่งจิตไม่นึกถึงกิเลสมันจะเป็นเฉพาะเวลาเล็กน้อยกว่าช่าง เมื่อจิตไม่นึกถึงกิเลสเวลานั้นจิตก็จะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตก็มีความสะอาดเมื่อจิตมีความสะอาดความบันทิดก็เกิดขึ้นความเป็นทิดเกิดขึน้นในตอนนี้ของมั่นดาท่านพุทธบริษัททุกคนให้ตั้งจะเชื่ออารมณ์แรกเป็นสำคัญถ้าเขาถามแล้วว่าอย่างไงใจนึกตอบอย่างไงตอบทันทีตามใจนึกอย่ายั่งตัวหลังจากนั้นแล้วก็ เมื่อค่องตัวดีแล้วก็พากันไปดูกฎของกรรมขอพร ะ, ะติสะเพื่อบุริคติสะอันดับแรกก็ขอดูว่ า, าพระติสะเวลาที่พระพุทธเจ้าเวลานั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงขณะที่สะฟังเทศคั้งกันสุดท้ายที่ว่าจิรังวัตยังกายโยเมื่อกายนี้ถ้ามีวิญ ญ, ญาณไปตรัแล้ว ถ้ามีิยานเป็วัาทแล้วก็จะดอนทับเป็นดินมันก็ท่อนไม้ที่ไร้ประโยชน์ไม่มีใครเขาต้องการเวลานั้นท่านป่วยอยู่ท่านจิตใจสบายมันจะมีความรู้สึกยังไงขณะที่ฟังเทศเจะพุทธเจ้าจบร่างกายเคลื่อนตัวปณิพนิพานเคลื่อนแบบไหนขอดูตัวในจิตขอดูจิตใจทีงเวลานั้นหลังจากนั้นก็พากัาถอยหลังเขาไปถึงใช่ก่อน เนพระติสษะที่เป็นในพรานนกกรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงมีฐานะเป็นยังไงเขาฆ่านกเป็นยังไงเขาทำแบบไหนแต่พระอราหันต์ที่เขาทำบุญในรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ควรจะทบทวนแปอาติต่างสุ ญ, ญาณแต่ถ้ามีเวลาพอแล้วก็ทบทวนกฎข้องกรรมของเราสิด้วยว่ากฎของกรรมของเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์นี่ มีรูปร่างหน้าตาแบบนี้มีฐานะแบบนี้เพราะอาศัยบุญอะไรได้ความสุขได้ความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอาศัยกรรมที่ไปอกุศลแบบไหนแล้มีกรรมประเภทไหนบ้างที่เราคิดว่าเราทำแล้วแล้วก็ต่อไปในเบื้องหน้ามันจะให้โทษเราแบบไหนแล้วเราจะหนีกรรมประเภทนี้ได้ยังไงอันนี้นักเจริญกัมภานแบบนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้ ยิงม <iki> ีการช่องตัวหมดอย่างพอดีเครื่องตั <t orn concentrate> ้งเวลามันก็ไม่ยอมตั้งด้วยอ๋อเอ๋อ阿拉ต่อที่ไปก็ขบันดาญาโยงพระบริษัททุกคนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานอหน้าทางพาะหน่งจ้ะ ว่านี่ดูตกใจกันหมดไหว้พระก่อนนะโยโซพระก ว, วาหังส ม, มาสมุโทโวราวาคาตเยนาพรวาตาธรรมโม สุปฏ um ิปโนยัสสะปะเวะตูสาวกะสังโขถาไม่ยังพระกวนตังสะทมังสะสังขัง ทิเมหิเสกาเรหิยะธาระหังอะโรปิเหิอภิูยามะ